เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีหรือพระเจ้าตากสินขึ้นคลองราศก็สถาปนากรุงทนบุรีขึ้นมาเป็นเมืองหลวงซึ่งกรุงทนบุรีนี้ก็เป็นด่านขนนอนก็จุดพักเรือสินค้าต่างชาติมาตั้งแต่สมัยอยุธยาขึ้นก็ทรงรวบรวมบ้านเมือง ชาวไทยที่แตะ ก, กระสันกระซ้ายตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่านั้นเข้ารวมเข้ามาด้วยกันแล้วก็กวาดต้อนราษฎรไทยทั้งไทยทั้งจีนแขกฝรั่งที่แตกกระเซ็นสัน้นเซนไปอยู่ตามที่ต่างๆรวมทั้งเฉลยจากหัวเมืองเข้ามาไว้ในกลุ่มขณะนั้นไฟสงครามทั้งภายในและภายนอกก็ยังไม่ยุติ พม่าเองก็กวาดต้อนผู้คนและรวบรวมทรัพย์สินสิ่งของเข้าป่าอาหารตลอดจนทำลายไร่นาบ้านเรือนแล้วก็เผาสวนผลาากากไม้ความอดอยากลำบากแร้นแค้นแสนสาหัสก็ยังมีอยู่ทั่วไปในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธมปรีก็จึงต้องสั่งซื้อข้าวมาจากต่างประเทศมาแจกใจ่ายให้ราษฎรแล้วก็ส่งเสริมพร้อมกับส่งเสริมการทานานอกเมือง โปรดเกล้าให้ฟื้นฟูการค้าสัมพาวก็สนับสนุนให้คนจีนเดินทางเข้ามายัางเมืองสยามเพื่อช่วยกันทำหากินพัฒนาเศรษฐกิจตลอดระยะเวลา14ปีพระนครจึงเริ่มบริบูรณ์ขึ้นไปด้วยเข้าป่าอาหารอีกครั้งหนึ่งหลังจากสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ย้ายเมืองหลวงไปตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วในรัชสมัยของ พระพุทธสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไทยก็ยังต้องทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ตามหัวเมืองต่างๆอยู่ตลอดรัชสมัยก็ทำสงครามถึงเจ็ดครั้งศึกเก้าทัพเป็นสงครามครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็เป็นทัพใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการรบกับพมา่าพม่าเกมพลมาถึงหนึ่งแสนกับอีก กึ่งหนึ่งก็หมายยกเอามาปราบไทยไม่ให้มีโอกาสตั้งตัวได้แต่ด้วยพระปิชาญานและก็ความกล้าหาญและประสบการณ์ในการทําศึกมายาวนานของพระมหากษัตริย์ยอดนักรบพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถ้า พ, พระม่า ก, ก็ต้องแตกพ้ายไปในการศึกครั้งนี้ก็เกิดวิรสตรีและวิรบุรุษทางภาคใต้ที่ช่วยกันต่อสู้จนสามารถรักษาเมืองไว้ได้ก็คือเท้าเทพกษัตริย์ ตรีแล้วก็เท่าศรีสุนทรแห่งเมืองทลางซึ่งเป็นเมืองภูกเก็ตปัจจุบันนี้แล้วก็พระยาทุกราชแห่งเมืองพัทลงุงในราชสมัยที่สามไทยก็มีวีรสตรีอีกท่านหนึ่งก็คือคุณหญิงโมหรือย่าโมของพวกเราเท่าสุ ร, รนารีผู้สร้างวิรกรรมณนะทุ่งสำลิจ ในราชการที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ภายในประเทศก็ยังหนักหนาไปด้วยภารกิจในการสร้างบ้านสร้างเมืองการจัดระเบียบการปกครองภายในประเทศการทําชําระกฎหมายการสังคญญ า, ายนาพระไตรปิฎกและการออกกฎหมายคณะสงฆ์ฟื้นฟูศิละปะวัฒนธรรมวรรณคดีรวมทั้งการวบรว ม, รวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่ยังหลงเหลืออยู่ตามหัวเมืองต่างๆ ด้วยเอกสารสำคัญของชาติได้ถูกเผาไปสิ้นในการข่าวเสียกรุงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ทรงมีพระบุญญาอุตสาหสร้างพระนครให้มั่งคงถาวรและก็เป็นรากฐานที่ดียิ่งในรัชการต่อมาที่จะมาะเผชิญกับอารยธรรมใหม่ของทางโลกตะวันตกเรื่องด้วยในสมัยกรุงธนบุรีที่พระเจ้าตักสินตั้งขึ้นมาเป็นเมืองหลวง การบ้านเมืองก็ได้ทำการค้าแล้วก็มีการค้ากับชาวจีนเข้ามาช่วยค้าขายทำมาหากินพัฒนาเศรษฐกิจบ้านเมืองก็ขยายออกไปเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยา ฟ, าฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ขึ้นครองก็เห็นว่าเห็นว่าทางฝั่งทางฝั่งพระนคร ฝั่งกรุงเทพนี้ก็มีพื้นที่ที่จะขยายสืบต่อไปได้อีกมากก็เลยมาสร้างเมืองหลวงอยู่ในฝั่งพระนคร น, นี้ในการในสมัยที่ชาวจีนเข้ามาในสมัยพระเจ้าตากสินก็ได้มาอยู่ใ น, นแถบริมหนังริมน้ำเจ้าพระยาในฝั่งซ้ายคือฝั่งพระนคร น, นี้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาไหลคือในรัชกาลที่สองก็ส่งสารภารกิจต่อจากสมเด็จพระราชบิดาก็ริเริ่มการจัดเก็บภาษีอากรแบบใหม่ๆก็เร่งสร้างไรายได้ให้กับประเทศโดยมีกรมหมื่นเจษดาบดินคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สามต่อมาเป็นผู้ดูแลการค้าสำเพ์หลวงที่มาเป็นทำดูแล รายได้หลักของประเทศตั้งแต่การค้าสัมเพอที่เป็นทำกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและการค้าขายก็ค้าขายอยู่แต่เฉพาะพ่อค้าชาวจีนและเอเชียแม้จะมีฝรั่งเข้ามาบ้างก็เพียงติดต่อบ้างก็ไม่มากแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินน์นั้นการค้าก็อยู่ในระบบพระคลังสินค้ามีกรมท่า เป็นเอกรมท่านีในสมายถึงแผนกราชการเอที่จะรวบรวมการคลังดูแลการคลังเอแล้วก็การต่างประเทศซึ่งจะแบ่งออกมามีกรมท่ากลางกรมท่าขวาและกรมท่าซ้ายกรมท่ากลางนี้ก็มีเป็นหน่วยราชการที่เกี่ยวกับชาวต่างประเทศต่อชาวต่างประเทศยกเว้นชาติแขกและจีน กรมท่าขวาก็คือหน่วยราชการที่เกี่ยวกับพวกแขกโดยเฉพาะเพราะว่าพวกแขกนี่จะอยู่ฝั่งขวาคือธนบุรีเป็นเช่นแถวสี่แยกบ้านแขกนี้ส่วนกรมท่าซ้ายก็คือแผนราชการที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนซึ่ออยู่ฝั่งซ้ายคือฝั่งพระนครการค้าในระบบพระคลังก็ให กรมท่าขวาดูแลการค้ากับพวกแขกและฝรั่งส่วนกรมท่าซ้ายก็ดูแลการค้ากับพวกจีนยวนและญี่ปุ่นรวมทั้งถึงดูแลกิจการค้าสำเพอหลวงของรัฐบาลตำแหน่งกรมท่าขวามีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาจุลาราชมนตรีตำแหน่งกรมท่าซ้ายมีบรรดาศักด์เป็นพระยาโชดึกราชเศรษฐี ด้วยกิจการสำเภาหลวงเป็นแหล่งรายได้ในการพัฒนาประเทศชาติพระมหากษัตริย์ตั้งแต่กรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็โปรดเกล้าให้ชาวจีนเข้ามารับราชการในตำแหน่งนี้โดวยว่าเป็นผู้ที่มีความชำนาญการค้าและก็รู้ภาษาจีนมีประสบการณ์ในการเดินเรือทะเลโดยเฉพาะคนจีนแต้จิ๋วคนจีนชาวแต้จิ๋วนี้เข้ามาในแผ่นดินไทย สมัยนั้นมากมายคนจีนที่เข้ามารับราชการส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในเมืองไทยมาก่อนแล้วอีกทั้งก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษซึ่งบัดนี้ลูกหลานของท่านเหล่านั้นก็ได้กลายเป็นคนไทยไปหมดแล้วกมท่าท้ายหรือตําแหน่งพญาโชดุราชาเสสิทีในราชาการที่สองก็โปรดเก้าให้เป็นให้เจ้าเมืองจันทบุรีให้เป็นเจ้าเมืองจันทบุรีด้วย เรื่องจากว่าเมืองจันท บ, บุรีเป็นเมืองท่าสําคัญเป็นศูนย์กลงางการต่อเรือสําเภาในสมัยก่อนในสมัยนั้นก่อนที่จะมีเรือกลอนไฟอีกท่านก็เป็นแหล่งที่คนจีนอยู่กันอย่างคับคั่งตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาละในตําแหน่งเมืองจันท บ, บุรีชาวจีนจะเไปอยู่กันมากเพราะถือว่า เป็นตำแหน่งหัวมังกรนะคะเป็นตำแหน่งหัวมังกรเอ่อมังกรเมื่ออยู่ปัตตภีต้องเลือ้อยลงสู่ทะเลถ้าอยู่ในทะเลก็จะทะยานสู่ฟ้านะฮะที่เมืองจันทบุรีก็เป็นจุดตำแหน่งหัวมังกรที่ชาวจีนอยู่กันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทีเดียวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามการค้าของประเทศก็เฟื่องฟูที่สุดเลยจากที่เคยจัด เก็บรายได้มาประมาณสองล้านในรัชการก่อนแล้วก็มาเก็บรายได้ถึงยี่สิบห้าล้านซึ่งข้างเงินสมัยนั้นก็มากโขอยู่ทีเดียวเพราะว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้มีความปิชาสามารถมากทางเศรษฐกิจแล้วก็ทรงคุ้นเคยกับงานพระขังได้ทรงนำสินค้าใหม่ๆออกมาประมูลหาเจ้าภาษีนายอกร ชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในช่วงนี้ก็นับว่าเป็นผู้มีโชคทีเดียวที่ได้มีโอกาสเข้ามาประมูลภาษีอกรแล้วก็จัดเก็บภาษีสัมทานส่งไรายได้ให้รัฐบาลพระบาทสมเด็จพระนังเ้าวเจ้าอยู่หัวก็ทรงปรีชาสามารถทรงมีพระวิยาอุตสาหะดำรงพระวิเัยทัตอยู่ในขอบเขตแห่งประโยชน์สุขของประเทศชาติและอาณาจารบ้านเมืองก็มีระเบียบวินัย อีกทั้งคนจีนที่เข้ามารับใช้ภายใต้เบื้องยุคกรบาดก็ตั้งอยู่ในความสุดจิตเป็นหลักใหญ่จึงทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจของไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคงขึ้นพระองค์ก็ทรงเก็บพระราชทรัพย์ให้กับแผ่นดินซึ่งก็มีซึ่งก็สามารถนำออกมาช่วยกู้ชาติในยามวิกฤตในราช ก, การต่อๆมาอีกทั้งรายได้ของประเทศก็ถูกนาเข้าไปพัฒนาชาติบ้างเมือง อาคารสถานที่สำคัญต่างๆของพระนครเกือบทั้งหมดจะสร้างขึ้นมาในรัชสมัยที่หนึ่งและในรัชสมัยที่สองจะเป็นเครื่องไม้แล้วก็ช ำ, ชำรุํารุดโทมมากก็ถูกบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่เกือบหมดเลยในรัชสมัยสมัยรัชกาลที่สามโดยที่ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินมาจากที่ใดๆเลยแล้วก็มีการจัด ให้คนไทยเชื่อสายจีนเนี่ยเข้ามารับราชการเป็นเจ้าภาษีในองค์กรเป็นแม่กองก่อสร้างกดครูครองหรือรับงานสัมปทานต่างๆรับราชการในตําแหน่งที่มีเกียรติสูงเช่นเป็นพยาโชตกราชเศรษฐีกรมท่าสายซึ่งเป็นการรับตําแหน่งตามความสามารถไม่ใช่สืบทอดตาแหน่งกันหากทําความผิดหรือทํางานล้มเหลวก็ถูกปลดออก การจัดการบริหารบ้านเมืองเช่นนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงสังคมที่จเจริญและพัฒนาแล้วตระกูลคนไทยเชื่อสายจีนแต่ก่อนที่ได้รับแต่งตั้งให้ดูแลจัดงานของรัฐให้ก้าวหน้ามีผลกำไรท่านก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความขยันขันแข็ ง, ขงอดทนออดออมมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานอีกทั้งสามารถแก้ปัญหาและปรับอุปสรรคต่างๆให ปรับเปลี่ยนให้เข้ามาสู่ระบบที่มีประสิทธิภาพเป็นแบบฉบับแก่คนในยุคปัจจุบันสายสกุลของท่านชาวจีนที่มารับราชการตั้งแต่สมัยนู้นสุดต่อมาจน ถ, ถึงทุกวันนี้ก็มี เ, เช่นสกุลไกริกโชติกะพุทธพุกกนะณะโชติกะสัเทียนกาลายานมิตร เหล่าฮะเศรษฐีพิสารบุตรพิโสเรียบุตรอิงคนนสมบัตินะ ส, สรินะสังคาเศรษฐบุตรพิรมพักดีนามสกุลปนิตย์โปษยะชินดาโปษยาโนนตระกูลเหล่านี้เนี่ยแม่บางตระกูลแม่จะไม่ได้รับราชการมาเก่าก่อนแต่ทายาตรุ่นหลังก็ได้เข้ามารับราชการทำประโยชน์แก่ประเทศชาติเช่นสกุลสิมสเรียนหรือ หรือเป็นแบบของการประกอบวิชาชีพในบริษัทใหญ่ๆเช่นปันติเวชกุลเป็นต้นในตอนต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมจเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สนีะ่รัฐบาลไทยก็ถือนโยบายห้ามส่งข้าวออกนอกประเทศดังที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีแม้อังกฤษจะขอเข้ามาจเจริมสมรรไมตรี ตั้งแต่ราัชากาลที่สามไทยก็ยังสงวนสิทธิในการจำหน่ายข้าวในสมัยราัชากาลที่สี่ประชากรไทยเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ประสบกับแรงกดดันจากทวัตะวันตกที่กำลังแผ่ขยาย อ, นนะอำนาจเข้ามาในทวีปเอเชียและแอฟริกาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงประเมินสถานการณ์ของประเทศในขณะนั้นก็เห็นสมควรจะต้องรักษาเอกราชของประเทศไว้แม้จะต้องเสียประโยชน์ทางส่วนไป ด้วยข้อสัญญาที่เอารับเอาเปรียบในสนธิสัญญาเจริญสัมพันธไมตรีก็จะต้องส่งยอมในพศ2398ไทยก็ต้องทำสนธิสัญญาเบลริงกับอังกฤษนะฮะซึ่งผูกมัดให้เกิดเปิดให้ไทยเนี่ยเปิดการค้าเสรีเป็นการยกเลิกระบบพระคังสินค้าพ่อค้าชาวตะวันตกสามารถซื้อขายสินค้าที่ต้องการได้กับพ่อค้าคนไทย แล้วก็ไทยก็เสียเปรียบในเรื่องสิทธิ ส, ทธสภาพนอกอนาเขตภาษีอื่นๆที่เคยจัดเก็บได้ก็ถูกยกเลิกเหลือไว้แต่ภาษีร้อยชักสามแล้วก็ไม่มีการกำหนดอายุการบังคับใช้ไทยต้องใช้เวลายาวนานถึงแ3ดบสามปีทีเดียวนะถึงจะสามารถแก้ไขข้อเสียเปรียบทั้งในด้านการศาลแล้วก็ด้านเศรษฐกิจ มาหมดสิ้นทำได้สำเร็จในรัชสมัยที่6และในรัชกาลที่8หลังจากนั้นประเทศมหาอำนาจอื่นๆเช่นอเมริกาฝรั่งเศสเดนมารดาฮอลันดายหรืรกกอชาวต่า ง, งชาติอื่นๆก็เข้ามาจเจริญสมรติใหมตีทางการค้าโดยยึดเอาสนธิสัญญาบาวริงมาเป็นบรรทัดฐานผลจากสนธิสัญญานี้ไทยต้องเปิดการขายข้าวอย่างไม่จากัด รวมทั้งถึงน้ําตาลที่เป็นที่ต้องการมากไม้สักดีบุกยางพลรารัฐต้องประกาศส่งเสริมให้ราษฎรทาไร่ทํานาต้องกดครูคลองทําชลประทานให้น้ำเข้าถึงไร่นาเลือกสวนต่างๆมีการเปิดพื้นที่ที่ว่างเปล่าอย่างกว้างขวางแล้วก็แปลงให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมใหม่ประชาชนก็เกิดการย้ายถิ่นฐานข้ามเมืองไปไกล ขยายเมืองบุกเบิกออกไปทำนาในหัวเมืองที่ใกล้พนครเศรษฐกิจแบบส่งออกที่ก็เริ่มก้าวหน้าในรัชกาลที่สีส่งผลให้ประชาชนมีเงินจับใจใช้สอยเกิดตลาดน้ำตลาดบกนับสิบสิบแห่งขึ้นในชุมชนต่างๆทั้งธนบุรีและก็กรุงเทพพระบาทสมเด็จ อมเก้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระวิเศย ท, ที่ยาวไกลทรงวิจรารณญาณแล้วก็วังลาถทางการเปิดประเทศไทยให้มีหลักมีเกณฑ์เพื่อที่จะนำราชอาณาจากักรสยามให้พ้นจากมรสุมร้ายจากพวกชาวต่างชาติที่พยายามเผยแพร่อำนาจเข้ามาในปกครองในในภาค พ, พึ่งเอเชียในสมัยนั้นในราชการนี้ก็มีการทา เหรียญกระสาบออกมาใช้แทนเงินออพกด้วงแบบโบราณการออกเงินกระดาษให้เป็นขั้งแรกนี้เรียกว่าหมายนะะแล้วก็ให้คุณปฏิพานพิจิกนี้เป็นผู้ช่วยราชการในกรมพระอัลักษ์รับพระบรมราช อ, องค์การใส่กะทรงคือทรงโปรพระกรุณาโปรดเกล้าสั่งว่าให้อน า, อนาชาราชนี้ซื้อขายใช้สอยเงินเฟืองเงินสลึงเงินบา วันนี้คิดไปอย่างหนึ่งก็ลําบากเพราะว่าสมัยเงินเงินพดด้วนเป็นเงินตะ ก, กั่วทองแดงเออมันก็มีของปลอมมาใช้สอยกันอยู่มากพวกนักเลงสุกฝินก็มีพวกนี้มันจะเอาเอ า, เอาลัดเอาเปรียบทําปลอมขึ้นมาใช้นะทําให้เป็นที่ลําบากในการที่จะกค้าขายก็เกิดการทุ่มเทนทะเลาะวิวาดกันอยู่เนือ ง, งจึงโปรดเข้าให้ใช้เงินนะทํา เหรียนเงินกระสาบขึ้นมาใชายแทน